เพื่อนคนหนึ่งบ้างก็อยู่เชียงใหม่เขารอให้ฟังว่ามีคราวหนึ่งมีทุรละจะลงมากรุงเทพเขาตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟลงมาแต่เอมีเพื่อนของเขาซึ่งมีเครื่องบินอยู่กำลังจะลงมากรุงเทพเหมือนกัน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 สาหาการเป็นเช่นนี้เขาก็รู้ว่าต้องตายแน่ก็เลยในสภาพเช่นนั้นก็ทำใจยอมรับสภาพและความรู้สึก ข, ของเขาตอนนั้นก็คือว่ามันมีความสงบมากเลยรอบตัวเขาก็สงบเพราะว่าเครื่องล่อนอยู่กลางอากาศนี่มันไม่มีเสียงเลยสงบมองออกไปรอบตัวก็เห็นท้องฟ้า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 เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราไม่ใช่บางครั้งกับบ่อยครั้งคนเราเวลาใกล้ความตายเนี่ยเราจะมีความตื่นกลัวความตื่นกลัว น, ะนั้นส่วนนึงก็เพราะว่ามันมีความยึดความอยากที่จะยืดชีวิตเอาไว้ไม่ยอมทำใจหรือปรับใจให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการขัดขืนฝืนสภาพ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 รถก็เข้ามาชนกระแทกอย่างแรงยับเยินเลยท้างงาท้้งหลังแต่ปรากฏว่าเขาปลอดภัยตำรวจที่มาช่วยดึงเขาออกมาจากรถนี้ก็แปลกใจว่าปกติถ้ากรณีแบบนี้ก็ต้องตายหรือว่าเจ็บหนักพิการแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยพอเขาลาให้ตำรวจฟังตำรวจก็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 ก็ยังฝืนความจริงไม่อยอมรับความจริงกลุ้มอกกลุ่มใจว่ามันไม่น่ามีเลยเพื่อนก็ล้อเพื่อนก็ยอกยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มยิ่งกลุ้มก็ยิ่งคิดถ้ามีคนที่ค่าโดดตายเพราะแค่พอมีสิวนี้ก็ก็มีเหมือนกันนะวัยรุ่นเพียงแค่เรื่องไม่เรื่องเล็กๆน้อยๆเงิ น, น, น, นไม่กี่บาทแต่ถ้าเราไม่อยอมรับความเป็นจริง ว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นทำไมต้องเกิดขึ้นใจก็จะหมกมุ่นอยู่กับมันจงกระทั่งไม่เห็นอะไรเลยโลกทั้งโลกมีแค่ ค, ความทุกข์ของเราเพราะเรื่องเล็กๆในน้อยเท่านั้นเรื่องเล็กๆน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เมื่อใจเราหมกมุ่นกับมันเหมือนกับเราขุดหลุมอ่ะขุดหลุมตอนที่หลุมตื้นๆนินเราก็ยังเห็นอะไรได้ ก, กว้างเรายืน อ, อยู่ในหลุม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 ไม่ยอมทำใจผู้อย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่ามันเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรือว่างอมืองอเท้าูรเจ้าก็แน่ว่าอะไรที่ทำได้ก็ต้องทำแต่ระหวังที่ทำก็จะไปคาดหวังผลว่ามันต้องเป็นไปตามใจเราเพราะว่าผลนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต้องหลายอย่างขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ขึ้นอยู่กับเพื่อร่วมงานขึ้นอยู่กับเจ้านายขึ้นอยู่กับอุปสรรคปัญหาต่างๆเราเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นการกระทำเป็นของเราแต่ผลหรือความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของตถาตาส้าพสิติจิงบอกการกระทำเป็นของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของฟ้า มันไม่ใช่เรื่องงมงานแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหลายอย่างเราจะปลูกต้นไม้สักต้นเราทำได้อย่างมากคือการลดน้ำพลนดินใส่ปุ๋ยปิดกิ่งที่เหลือนัองนั้นไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเช่นฝนแดดความชื้นแมลงรวมทั้งคนซึ่งไม่รู้เป็นใครอาจจะมาตัด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 ทำเต็มที่แต่ว่าอย่าไปยึดติดกับผลว่าจะต้องเป็นไปตามใจเราทั้งหมดนี่มันโยมมาสู่เรื่องการปฏิบัตินะเพราะการปฏิบัตินี้เราต้องฝึกใจให้ยอมรับความเป็นจริงด้วยนะว่ามันอาจจะไม่เร็วมันอาจจะฟุง้งอาจจะเครียดสติของเราไม่ไวพอก็ทำให้ฟุ้งอยู่บ่อยๆทาให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 จะบังคับสายน้าให้ไหลเร็วหรือให้ไ ห, หลช้าลงก็เป็นไปไม่ได้จะลงไปทำเขื่อนกักสายน้เอาไว้ไม่ให้มันไหลเร็วนะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราก็มีแค่สองมือเท่านัน้นั้นก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใจของเรานะก็ต้อง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 ต้องมารวมกันพอดีที่ช่วยการปฏิบัติของเราสำเร็จผลได้หรือว่ามีความก้าวหน้าดังนั้นก็คาถาที่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี้ก็ยังจำเป็นนะถ้าเราทำเช่นนี้เราก็จะปล่อยวางได้เรื่อยๆได้มากขึ้นแล้วก็เราก็อาจจะพบว่าเออในสุดนี้มันก็ เกิดผลได้เหมือนกันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็ได้เหมือนกับเรื่องของ2องคนผลที่เครื่องมินจะตกแล้วแต่ว่าปรากวามก็กลับติดสตาร์ทเครื่องใหม่ได้หรือรถที่ถูกกระแทกอาดกระเปียงแรงแต่ว่าก็รอดมาได้โอกาสที่ทําใจปล่อยวางอันนั้นเอง